สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันจันทร์เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่ห้าร้อยห้าสิบสองเรื่องพระธรรมฮีบรูครั้งเะเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่ห้าสิบเจดครับพี่น้องครับพระเจ้ของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในฮีบรูบทที่สิบสองในตอนสุดท้ายพอดีเลยนะครับและในวันพุงนี้เราก็จะขึ้นบทที่สิบสามต่อไป โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าฮีบรูบทที่สิบสองข้อยี่สิบห้าจงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ทรงตรัสอยู่นั้นถ้าเขาเหล่านั้นไม่พ้นโทษเพราะปฏิเสธไม่ยอมฟังพระดํารัสเตือนของพระองค์ที่ในโลกเราทั้งหลายผู้เมือนหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์ก็จะไม่พ้นโทษมากยิ่งกว่าเขาเหล่านั้นเสียอีกพระสุรเสียงของพระองค์เขาวนั้นได้บรรดาลให้แผ่นดินหวั่นไหว แต่บัดนี้พระองค์ได้ตรัสสัญญาไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งเราจะกระทําให้หวาดวันไหวมิใช่แผ่นดินโลกแห่งเดียวแต่ทั้งท้องฟ้าด้วยและพระําดำรัสที่ตรัสไว้ว่าอีกครั้งหนึ่งนั้นแสดงว่าสิ่งที่หวันไหวนั้นจะถูกกําจัดเสียเหมือนกับสิ่งที่ทรงสร้างให้มีขึ้นเพื่อให้สิ่งที่ไม่วันไหวคงเหลืออยู่เหฉะนั้นครั้นเราได้แผ่นดินที่ไม่วันไหวมาแล้ว ก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าเพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพิทัยของพระองค์ด้วยความเคารพและยำเกรงเพราะว่าพระเจ้าของเรานั้นทรงเ ป, เป็นเพลิงที่เผาผลาญี่านครับนี่คือตอนสุดท้ายของพระธรรมปีติบุบทที่สิบสองพ่อเจาน้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้เตือนให้เรานั้นจะต้องมีใจใสหรือเอาใจใส่ต่อสิ่งที่ไม่หวนไหวนั่นคือแผ่นดินสวรรค์ คำเตือนที่ถูกให้ไว้ในตอนนี้ก็คือว่าอย่าเพิกเฉยหรืออย่าเมินเฉยต่อเสียงแห่งพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ซึ่งตรัสจากสวรรค์แสดงว่าพระโลหิตของพระเยซูนั้นตรัสจากสวรรค์ครับตรัสเรื่องอะไรครับก็คือตรัสอันนี้เป็นเชิงสั ญ, ญลักษณ์ตรัสเกี่ยวกับความรอดนั่นเองพระโลหิตของพระเยซูนั้นมีคุณค่าสูงยิ่งมีฤทธิ์ไคนุภาพสูงสุด ก็คือว่าสามารถที่จะช่วยให้คนขึ้นสวรรค์ได้โดยการรับการชำระจากพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ผู้เขียนเตือนความจำผู้อ่านว่าคนมากมายที่เมินเฉยต่อโมเสสบนภูเขาสีไนก็ได้ถูกจัดการแบบรวดรวบยอดไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าเราเองเชื่อเป็นคริสเตียเราเมืนเฉยต่อพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์นั่นคือพระโลหิตขององค์พระเยซูคริสต์ ที่ได้หลังไหลบนไม้กางเขนพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนก็จะไม่ได้พ้นโทษเหมือนกันแถมยังมากกว่าด้วยนี่คือความหมายของข้อที่ยี่สบห้าจนถึงข้อที่สิบเจ็ดเพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้เขียนเตือนสติพวกเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนก็คืออย่าหันหนีไปจากพระคริสต์ผู้ทรงพระชนอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญนะครับและเมื่อเราคิดถึงเรื่องนี้เราคิดถึงขณะที่ โ ม, โมเสสนั้นท่านขึ้นไปบนภูเขาชีน <c oughs> และท่านก็รับบัญญัติสิบประการจากพระเจ้าพอลงมาจากภูเขาอะไรเกิดขึ้นครับพวกอิสราเอลนั้นคิดว่าโมเสสนั้นขึ้นนานจนเกินไปละก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรดีรู้สึกว่าชีวิตของพวกเขานะสองล้านคนที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาอยู่ในทะเลทรายจะเอาอะไรกิน จะอะไรเดิมเพราะฉะนั้นพวกเขายังไม่เคยเห็นและยังไม่ประสบกับความเข้ม ง, งวดของพระเจ้าเขาเคเห็นความอัศจรรย์ของพระเจ้าความรักของพระเจ้าการเลี้ยงดูของพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นมานาที่ตกมาในแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันแต่เขาไม่เคยที่จะได้พบกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวเพียงแต่รับเอาสิ่งที่ดีจากพระเจ้าเท่านั้นดังนั้นเอง เมื่อเกิดความสงสัยเมื่อเกิดความกังวลความเชื่อนั้นก็ท้อถอยไปเมื่อความเชื่อท้อถอยไปอะไรเกิดขึ้นครับพวกเขาก็เรียกอารอนมาบอกว่าจงสร้างวัวทองคําเพื่อที่จะนมัส ก, การวัวทองคํานี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ครับเพราะว่าเวลาชาวนาจะไถจ้าจวานก็จะต้องใช้วัวนะครับในการไถานาในการดึงแอกดึงคลาดเชิงจังเราเนี่ยครับ เป็นเหตุที่ทำให้อิสราเอลนั้นหลังจากที่โมเสสลงมาจากบนภูเขานะครับและพวกเขากำลังกราบไหวบูชารูปเขรรบรูปบัวทองคำอยู่เป็นเหตุให้นะครับตอนนั้นก็จะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นกับพวกอิสราเอลนะครับยังมีแผ่นดินไหวใหญ่มากทีเดียวแล้วพวกเขาก็เสียชีวิตไปพี่น้องครับพระคัมภีร์กำลังบอกว่าในอนาคต เมื่อวันนั้นจะมาถึงฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกก็จะหวั่นไหววันไหนครับที่จะมาถึงวันพิพากษาครับในวันพิพากษานั้นความหวาดกลัวจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้เชื่อพระเจ้าคนที่หลงหายหนีไปจากทางของพระเจ้านะครับความหวาดกลัวในวันพิพากษานั้นจะยิ่งใหญ่กว่าขนาดไหนพี่น้องก็คงจะนึกเอาเองนะครับก็แล้วกันพระบีบอกว่ายิ่งใหญ่มากกว่ามากนัก ถึงแม้ว่าแผ่นดินโลกแในฟ้าสวรรค์จะเสื่อมสูญไปแต่ราชอาณาจักรขององค์พระมินเจ้าซึ่งเป็นราชอาณาจักรที่ไม่หวั่นไหวจะดำรงอยู่สืบไปเป็นนิจพี่น้องครับตรงนี้เราจะเห็นว่าแผ่นดินโลกที่หวั่นไหวนะครับเป็นแผ่นดินโลกที่ไม่ไม่มั่นคงไม่เตเบิลไม่เสถียรแต่ในขณะที่แผ่นดินสวรรค์ น, นั้นเป็นแผ่นดินที่ไม่หวั่นไหวเลยมีความเสถียรภาพสูงสุด และคงอยู่ชั่วนิรัดนดรและด้วยเหตุ น, นี้ในข้อ28ครับผู้เขียนฮีบรูกล่าวว่าเหตุฉะนั้นครั้นเราได้อาณาจักรที่ไม่หวั่นไหวมาแล้วก็ให้เรารับพระคุณเพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชาวพัทยของพระองค์ที่นี่มีอยู่สามประการนะครับประการแรกคื อ, คอว่าเรารับพระคุณประการที่สองก็คือว่าเราจะต้องปฏิบัติาตามพระัทยของพระเจ้า ประการที่สามเราจะต้องมีท่าทีแห่งความเคารพยำเกรงสามประการนี้นะครับเป็นคุณสมบัติของชาวแผ่นดินสวรรค์ <c oughs> ที่เป็นอาณาจักรที่ไม่หวั่นไหวตลอดกาลนะครับเราจะเห็นว่าข้อเสนอทั้งสามประการปรากฏที่นี่ราชอาณาจักรนี้ที่กำลังจะมาเป็นของผู้คนของพระเจ้า ซึ่งเป็นราชณนจักรที่ไม่ครอนแคลนเลยไม่หวั่นไหวเลยพี่น้องครับแม้ว่าฟ้าสวรรค์และแผ่นโลกในอนาคตจะหวั่นไหวเพราะว่าในพระคัมภีร์พูดนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสยาบทที่สิบสามข้อสิบสามหรือว่าโยเอลบทที่สามข้อสิบหกหรือว่ามัทธิวบทที่ยี่สิบสี่ข้อยี่สิบเก้าอะไรต่างๆเหล่านี้ครับทําให้เรารู้ว่าในอนาคตนั้นฟ้าสวรรค์และโลกท้องฟ้าและโลกก็จะหวั่นไหวแต่ พระราชนาจของพระเจ้าที่พระเจ้าสัญญาไว้จะไม่หวั่นไหวเลยนะครับเราจะต้องรับพระคุณของพระเจ้านะครับเพื่อที่เราจะปฏิบัติพระเจ้าตามข้อพระทัยของพระองค์และด้วยท่าทีที่ความเคารพยำเกรงสาประการนี้ครับเป็นเหตุที่ทําให้เราจะสามารถอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าที่ไม่หวั่นไหวตลอดไปเป็นนิดในข้อสุดท้ายครับข้อยี่สิบเก้านะครับเพราะเหตุใดกันทำไมเราจะต้องมีชีวิตแบบรับพระคุณ มีชีวิตแบบชอบพัะไทยทําตามปฏิบัติตามชอบพัะไทยของพระเจ้ามีชีวิตแบบคำเคารพยำเกรงมีท่าทีแบบนี้รข้า พ, พีบอกว่าเพราะพระเจ้าของเรานั้นทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญสาเหตุที่เราต้องยำเกรงพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงเป็นเพลิงที่เผาผลาญ น, นะครับแรงจูงใจสําคัญที่เราควรสัตย์ซื่อและวิ่งแข่งขันในการต่อไปนะครับคิดวิ่งแข่งขันต่อไปก็คือความยำเกรงพระเจ้านั่นเองเมื่อพูดถึงตรงนี้นะครับ เราต้องกลับไปดูในพระธรรมหนึ่งโครินพระธรรมหนึ่งโครินนะครับได้กล่าวว่ามีวัตถุอยู่หกชนิดนะฮซึ่งสามชนิดเผาไหม้แล้วไม่เหลืออีกสามชนิดทนต่อการเผาไหม้ทนต่อเพลิงสามชนิดแรกคืออะไรครับไม้ย้าแห้งฟางนะครับอันนี้พอผ่านไฟปุ๊บมันจะหายไปหมดนะ แต่อีกสามอย่างคืออะไรครับอีกสามอย่างก็จะเป็นสสารที่ไม่ไม่ไม่ได้ไฟเผายังไงมันก็อยู่เป็นธาตุเป็นสสารนั้นนะครับพี่น้องลองทบทวนความจําดูครับคืออะไรครับสามอย่างแรกคือไม้ย่าแห้งฟางนะครับสามอย่างที่สองคืออะไรครับ <c oughs> ทองคําเงิน แล้วก็เพชรพลอยเพิ่มทีอยู่ในพระธรรมหนึ่งโคลินบทที่สามนะครับข้อที่สิบสองผมอยากให้ฟังนะครับบนรากนั้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้นด้วยทองคาเงินเพชรพลอยไม้ห้ย้าแห้งฟางการงานของแต่ละคนจะได้ปรากฏให้เห็นเพราะวันเวลาจะให้เห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเห็นชัดด้วยไฟไฟนั้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้นทนอยู่ได้ผู้นั้นก็จะได้ค่าตอบแทน แต่ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไปผู้นั้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัวเขาเองจะรอดเหมือนดังรอดจากไฟอันนี้คือสิ่งที่พระคัมภีเตือนสอนเราในเรื่องของการที่เราจะรับใช้พระเจ้างานต่างๆที่เราชอรับเท้พระเจ้าพี่น้องครับต้องสังเกตให้ดีอะไรเป็นไม้ยญาแห้งฝางเพราะมันจะไม่เหลือนะครับด้วยแรงจูงใจที่สามอย่างครับหนึ่งคือสำนึกในพระคุณรับประคุณ 2คือปฏิบัติตามชาบธรรยของเจ้าและสามคือท่าทีแห่งความยำเกรงและเคารพถ้าเรามีท่าทีหรือคุณลักษณะสามสามประการนี้นะครับสิ่งที่เราทำก็จะเป็นทองคำเงินและเพชรพลอยอย่างแน่นอนอามน